พระธรรมเตสนามโหสพจาดกจอมปราดแห่งมิถิลาภูติสองฟังแล้วเกิดพญญาปัญญาปาหฮึชันลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยปออินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทำฮกประโยคนักรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ นำโมตตัปปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โูที่สัตตมหาสาลมาเปตตาติสาทาวดูราสปุริจาตั้งหลายตั้งยิ่งใจหน่อยใหญ่ผู้มักไปผ้าทรงอาจินจงไขรภาคือป้อนจากเครื่องกาจิงละเกหาติอยู่เข้ามาสู่อาราม ลำดับตามลมเทาหนังอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาโพธิสัตว์มหาสาลังมาเปตตาดังนี้เป็นตนบัตนีเดเต โอทิสตโตอันว่าโพทิสตุนอง์อาจคือเจ้าน้อยนาดมโหสุดกุมารฮือจางผู้ชนะก่อสร้างยังสาลากว่างนาดำยะตามกำแห่งเจ้าหากบอกเล่าใครผันยกมือพันก่าวจี้ฮือแจ้งถี่หันใสโบนานเต่าใดแต่ใส ก็เมียนไข่ดีงามลำดับตามเป็นจองแบ่งเป็นห้องน า, นานาคือห้องคนอาณาถากันอยากตกลำบากเครื่องขี้ห้องนาเรนุ่มนาผพาสุดโลกเต้าบุตตาหาวงสาบอดายตุกอยากไรเครื่องใจห้องทัดไปนั่นเ่า เป็นติเจ้าสมณะพรามผู้ธารุงสินงามมาจอดหือหิวหอดหมยาหายห้องหนึ่งคนลายต่างเขตเตียวต้องเตดมานอนคนเตียวจอรหิวหอดได้มาจอดอาฮะสไห้องถัดไปไป้าเป็นห้องกาและขายแห่งยิงใจน้อยใหญ่ผู้มักใยใจหุ้ม ได้มาสุมพ่อเยือขายแหลกซื้อจอมกันตกแต่งปันเป็นส่วนไขครบทวนดีหลีนามุกมีจูห้องตกแต่งยองดูงามเจ้าชิงรามแต่งไว้ฮือพร้อมไข่จูพภาการฮือจางผู้ชนานชฉลาดขีดแต้มว่าดวงลายรูปสัดลายน้อยใหญ่ รูปดอกไม้เกื้วันรูปนางสาวันน้อยนาดรูปเต้าทีราชอินตาดูงามตาจูสิ่งพอแล้วหนิงฝ้าเมาคนบองเงา ม, า, ม, า, ม, า, มาจอดกันได้ต่อตาหันโศตุกวันจองหอยย่อมกาดก้อยหายห่นดังสาลาบนฝากฝ้าคงแหลงลาตาวังติงสา จือสูธรรมศ า, าลานันและนาทัดนันไปแถมเล่าหนอพระเจ้าบุญมีกอ่อเฮขุดโบคารณีกวา้างใหญ่ทีจิมไกศาลากดไปมาปันแห่งเฮตอกแต่งตางลงแก่ผู้ผ้าทรงเล่นอาเพือสารากาญากานาทวนนาได้ร้อยตาดีลี ดอกบัวมีจูสิ่งกันท้านหญิงเอาใจดังโบคารณีในจันฝ้าอันมีเจิวานันตะโบคารณีนั่นและนะบ่เต่าแต่นั้นเจ้านอจันกุ ม, มานก็หื้อแต่งอาหารข้าวน้ำวัดทั่วพปัจใจพื้นควใบแผ่นผ้พนนาพรมทวนจู่วั น, ว น, วน เกลี่ยอปันยกยืนด้วยใจจื่นบ้านงามแก่สามนาพรามเจ้าเจ้าและคนไต่เต้าไปมาคนนานาหน่อยใหญ่กาอันใดมาหันต่างป้ากันจมจื่นปีติตื่นสมณาจาวาสาลานีนาผ้าเสื้งามลำเลิศดีลีดังโบคารณีกว้างใหญ่ ทางสวนดอกไม้ดวงบ้านถัว่วสาทานโลกวางไัยบ่ออางเตรียมตั้นคนป้ากันเหล่าสาวไปจูดาวจู่นบ่อว่าคนนุมเทาต่างย่อคุณเจ้าบุญมีก็มีฮันแหลนา สุราชส่วนพระยาวีเตหราชเจ้าภาษาทอจันนับแต่วันฝันนั้นเล่าได้เจ็ดขวบเข้าวาซากอกินตาไก่หูว้วานักพาดอยู่แนดนใดจักเป็นภัยต่างนาเป็นนักพาดทวนหาเตรียมองค์เกิดในโขงเขตเตา เรือต่างดาวอาณากวันแสวงหาฮือฮู ว, ว่าเกิดอยู่แดนใดกันคานิงในเมียนแลวก็บอกอามาดแก้วเตรียมตนมีสี่คนเป็นขนาดว่าดุราอามาเตรียมใจสู่จุงไปทำข่าวนอกด่านดาวปาราว่าคนมีพระญยากว่ามู มาเกิดอยู่เฮือนใดเป็นลูกภัยแนมันทมที่สั้นตามร้ายย่าพันภายเป็นหมูอย่าไปเป็นกูชอบกันคือคนหนึ่งพันรีบเฮาไปสู่ดาววันตกคนหนึ่งหกวันออกไปไปนอกเวียงใจคนหนึ่งไปหนไตคนหนึ่งไตหนเนื้อ ทันคนจดเจือน้อยใหญ่ทาหือควยนิงใจอาบัยตั้งหลายตั้งสีฟังเต้าจีจะครก่อเร็วไว้ก้มเก่าลาเต้าเจ้าบัดเดียวแล้วรีบเรโวกะพากออกไปจากเวียงใจต่างคนไปต่างที่ตามเต้าจีปงพันก็มีฮันแลยนะ สอปานาามัตเจสวรอามาเตรียมตนผู้ไปหันวันออกแห่งไปนอกเวียงใจรีบเดยวไปบ่จอดต่อเต่อดบ้านปาจินาวัญยมัดจกรรม หันศาลางามไลยแลบกกยหันแต่แดนใดอัศจรใจลายหลากจริงออกปากจะทำเสิง่งมคนลายลำมวลหมู่ผู้เตวอยู่ไปมาว่าศาลาใหญ่กว้างไพแต่งสร้างหรือแปงปูนดีแง่งเจน็นลำพอนหญิงซ้ำป่าเมาจุม่มหมูเขาลุมเท้าก็บอกเล่าตามมี ว่าลูกเศรษฐีบุญกว้างมีจื้ออ่างโมโหสดผาญาผากุดกว่ามูชาลัทู่จู่ผาการฮือจางผู้จะนานสร้างเกาะตามคำเจ้าหนอกกุมมนันซาลาเจียงคานนี่ใสจริงเบียนไขดังหันคอนอานสัจฉันจู่ผู้ต่างจื่อสู้จู่คนคน อาตมัดงตนผู้ฉลาดก็โอกาสจะทำว่าตนใจรำนันเล่าอายุเต่าได้จาเขาก็จะบอกเราว่าเจ็ดควบเขาเติงตันอามาทหันแจ้งที่บ่มีตีสังกาว่าเด็กคนนี้นาใจจะเตียงเป็นนักผ่าทวนหาดีลี ตามเจ้าปุรียศใหญ่ได้สั่งไว้ยามมากันปิจิารณาเบียนแล้วอาบัดแก้วต่างตนก่อแต่งคนแก่นใจฮือไปน้อมใบทุนสาใครขีญยาบอกเล่าแก่พญาเจ้าตามมิเจ้าปุรีโฮแล้วใจฟ่องแผวจมบ้านจิงเด็กเสนาการย์ผู้ใหญ่ มาหนังไก่ไปไหนแล้วจะใครก่าอู้ฮือมันหูจูพักการเสน ก, กะอาจารย์ผู้เท่าใจกำเศร้าอาธรรม <c oughs> ก็ใครกำตอบถอยว่าคาแดดตาออนยอดซอยผู้มีอันว่าบอกคารณีใหญ่กว้างกับการก่อสังสารานงามตาวิเศษ ย่อมมีจุเข็ดเวียงใจบอดใจวิสัยนักพาดผู้ฉลาดเดือคนบ่กวนตนตันเต้าจักรีภาวนำมายังเด็กขาน่อยอ่อนมาไหวบอนหออหนอยก็เอ่พอไปเตื๋มแทงจริงหูแจงหันใส่กันเสนักกะไข่เบียนแล้วเต้าตนแก้ววิเตหราช ลวดบ่จาตานต่อบอ่อปากลออ่อเยา่ไปเต่าอดใจเยินกันดักอยู่หันสันดีกอบีหันและนะ่นาเถกะตีวาสังยังมีวันหนึ่งเล่านอพระเจ้าทรงยานกับปริวานวนหมู่พงเล่นอยู่จอมกัน ขอแล่งหันหุ่งใหญ่ยามตอนจิ้นได้นำมาบินเววาวัดวาดอยู่อากาศไปบนบินเวบนดื่มเหล้าไข่ตีเก่าลายตีเด็กน้อยมีหลายหลากนับแล้วหากปอบปันต่างปะกันเล่นไล่ตบมือใส่ตัวไปเปืือหื้อหุ่งจังไรเฮาหาด สว้าจินยอดลงมาเตาและตาพ่อก็เหยยังหุ่งถอยไปบนบ่อพ่อหุนตั้งใจรีบเล่นไล่ตัวมันปวดปากันลมตาตามควงดาวสาดามตนใจรมกินกู้จริงบอกมูเจ้าจุ่มวาสูเล่นซุ้มเสียเป่าเจ็บปวดเราได้ได้ สู้ตั้งหลายถ้าพอจักหันต่อสายตาเรานีนาจักอาจฮือจิ้นหยาตกลงดอพุทธองค์กล่าวแล้วก็กาดแก้วภัยพันแล่นเร็วปันแต่ใส่บ่อพอหุ่งใหญ่ไปบนเต่าเอาตนแล่นไหลตัวเงาหุ่งใหญ่บนดินจอมเงาหุ่งบินจ่าใจหนำเงาหุ่งใดบัดเดียว ก็รีเปรียวบอกจาร้องเอื้นดาตัวไปหง่งตกใจขานาดลวดส้อจิ้นดาต้องมาหนอพุทธาบุญใหญ่กรับไว้สับปัน <c oughs> บอกหื้อตันตกตองถูกอย่างห้องดินทรายคนตั้งหลายมวลโมกาอันหูเลหันอัศจรรย์หลายหลากจูผู้หากย่อคุณ ร่องนนส์าเศร้าหรือขวายดาวอาณาเกามีหันแหลนาอันว่าอามาตผู้ใหญ่อันเต้าไทยราชาฮือได้มาเฝ้าพอได้หันต่อตาตนกอบอกคนแก่นใจฮือไปน่อมใบทุนสา ใครขี้าบอกเล่าแก่เต้าเจ้าตามอีเจ้าปุรีวิเตหราชเจ้าภาษาทียงขานก็เรียกเสนาะกะอาจารย์ผู้ใหญ่มานั่งไก่เร็วปัน แล้วอไข่ปันกาวหือมันหูจูพักการเสนากาอาจารย์นักผาดก็อขดขวาดคันอิงในย่อนมีใจต่ำเจ้าบอกเฮอไผ่ล่ากว่าตัวมัน ว่ากันเจ้าหอดจันยอดซอยเอาเด็กอ่อนน้อยเยาวไว้มาอยู่ในภาศาสเป็นนักภาดเตรียมเงาจุมหมู่เขาตั้งสี่เตียงถึงตีตกผาน ลาภาคการแต่ก่อนย่อมจกผ่นเบาบางย้อนเจ้าหอควางยศใหญ่ตันบ่ใจรุมระามันจริงสาขับไว้ว่าคาแด่เต้าไทายภูบาล อันว่าการไหลหุ่งฮหือสะดุ้งตกใจบอดใจวิสัยนักผาดผู้ฉาลาดเจียงจินคนเตียวดิ้นโลกไตยย่อมเหยี่อได้สเสมอกัน ขอเจ้าอจันยศเน่ายารีพานำมากวน ร, รอราอยัางย่อนพอไปก่อนเมื่อนานเต่าผู้บ้านวิเตหาราชปังเกานักภาธทุนสาลวดบ่จากกำตอบอ่ปากรอดยาวไปก็มีหันแลลนา ทัดนันไปไปนาบ่อเนินจ้าหึงนานมีใจตกผ่านคนหนึ่งใส่เสองัวใดหนึ่งตัวมันก็ขีงวัวกระพากออกไปจากเขื่อนตนสอตามหนต้องกวางตีจิมข้างนาตีหึงงัว ก, กินดีอิ่มใสตาวันไกยามตอนมันก็อนอนยังจอด อยู่ปื้นยอดรุกขาหลงเจยมาสาซอยมันลวดมอเอละไปมีจนจันไรคนหนึ่งเหล่าเตียวไต้เต้ามาหันยังหัวมันกินยาโยงหิมป่าปายนาจนป่าลาบอจ้าลักหัวกวานี่ไปบ่มีใจซาตานนำหัวมาบ้านตัวมัน คนเล่งหันเสียงไข่ยามวันไลลงัวมาส่วนใจอนาถาปิกฟื้นสะดุ้งตื่นมื้นตาพอไปมาเสียงไข่งัวเลี้ยงไห้หายซอยรีบตัวห้อยจะาใจาไปตันจนใดบัดเดียวจริงจะเลียวเกาถอยว่าดุราโ จ, จนถอยจังไรเป็นสันใดอยาบจ้า หลักงัวกูกว่านี้มาจนปะละจาจะตอปวาดูร่าใจต่ำยอบเข็นใจเป็นสันใด้นั่นโสดมึงใส่โตต้นกู <c oughs> จุงพอดูเฮอที่บอแม่นตีมึงจากงัวตัวนี้นะาเกิดออกมาแต่คอกต้นกูกูอินดูเลี้ยงไว้ต่อเต้าใหญ่ได้ได ั้งสองใจต่อท้อยมีบ่โน้อยนานาคนนำดามวนหมูมาแวดอยลวงลายจริงนำสองใจไปสู่ยังที่อยู่นอโปที่ยาน ให้อาการบอกเล่าเอแก่เจ้าตามีนอมูนีกินกูก้ก่อขวาดหูในใจว่าคนใดนั้นเล่าเป็นโจรบาปเศร้าปาลาจรแสงจ่าทำทีเหือเสียงตีสงสสยหือใกล้ใกน้อยใหญ่ได้หูไข่ตามทจาำจรไข่กร๊มทำเล่าซึ่งโจรบาปเศร้าปาลา ว่ามึงเอาสั่งจามาเลียงหืงัวตัวเกียงดูปีโจนกาลีตอบเราว่าขา้าหืกินข้าวในนาตั้งถั่ว ง, งาหลายสิ่งงัวาข้าจริงดูงาม เจ้าขิงรามบนใหญ่ก็ถามใจอยากไรอนาถ า, าว่ามึงเอาสังจานนันใส่มาเลี้ยงวัวใหญ่ตั้งวันจุ่งไข่ปันกา้าอเฮาหูาตามี ใจเครื่องขี้หนุ่มเนาก็ต้านเหล่าจะใครว่าเข็นใจกำพา้ากินแต่ยาได้ได้ถั่วงาลายนั่นใสหาบ่อใดดีลี หนอมมนีบุญใหญ่ก่อฮือเอาใบ ไ, ไม้ประยงตำเป็นพงใสน้ำกาลาพัตึงดีก็ฮืองวัวปีกินน้ำคนหันเสียงซ้ำต่อตา วัวหากออกมาต่อหน้ามีแต่ยาได้ได้สมดังใจยอยากไรใครบอกไว้จูอันอันนอคุณทันอ่อนน้อยจริงเก่าถอยกำไป ว่าใจเข็นใจนี่เล่าแม่นเป็นเจ้ากัวรามส่วนใจปุ่มลามนั่นโสดแม่นเป็นโจนไร้โหดซัดจังโจนได้ฟังเจ้าเก่าวร้อนพะพาเหลือใจก่อเรียวไว้เก่าวแก่ว่าแม่นเจ้าเก่าวแต่ดีลีนอบมูนี้อ่อนน้อยก็โซซ้อนโจนท่อยจังไร ว่าแต่นี่ไปาปนาจุงละบาปกาตารณอากุสนน้อยใหญ่จุงเว้นไว้เสียไก่สินดวงใสห้าแปดจุงกดแขวดกับตัวจากเป็นขวออัวสงโยเฮได้อยู่สัตตดีโจรกาลีฟังแล้วใจผ่งองแผ้วสมมนัสจากอรีบลาขึ้นสู่ ยังที่อยู่เฮือนมันและนาะสวนอาอาตา์ผู้ใหญ่อันเต้าใสไว้ต่างตามรักษาเฝ้าอยู่ใดพมหูอาการ <c oughs> ก็ทรงข่าวสารรีพาวไปไว้เต้าวิเตหราชเจ้าปาราธิราชก็เรียกเสนา ก, กะนักผาสมาจูแลอ่ถามดูแถมเรา เมื่อกวันนำเจ้ากุมมนานผู้จะนานชาลาดมาอยู่ภาษาหอกคำหรือบอกควันนำมาอยู่จุงเก่ามาปัน เอานาคามันมือบอดเหยียวเจ้าน้อยยอดเหลือตัวย่อมือต่างหัวน้องใบว่าคาแดเต้าไทยผู้บ้านอันว่ากุ่มานอ่อนน้อยตัดเรื่องทอยงัวควาย คนยิงใจน้อยใหญ่ย่อมตัดได้เสมอกันบ่กวรอัดสะจันสักญาติบ่ใจดักพาดเหลือคนบ่กวนตนตันเต้ารีบน้องเน่านำมากวรรอราท่าพอเสืบติดต่อเหมือนไปเจ้าห่อใจยดใหญ่กอดักไว้สันเดิมกอบีหันและดา ทัดนันไปบอดจ้ามียิ่งกำผ้าเครื่องขี่เอาไยสีต่างๆเหลืองเขียวด่างดำแดงมาแต่งเป็นก้อนห้อยห้อยย่นดูงามลาดับตามใหญ่น้อยเอาเป็นซอยขอตนแล้วเตี้ยวหนมารอถึงตีจอดโบกคารณีตาวันดีต่ำก้อยก็ถอดซอยขอตน วางไว้บนแผ่นผ้าแล้วลงสู่ตาวางท่านเปื่อสำรานเล่นอาเพือสาราบในตนมียิ่งแถมคนหนึ่งเล่าก็ไต่เต้าเตียวมามันสัตตาพอกอเอกหันสายซอยเปิงใจมันเร็วไว้บอจ้าซองมือกว่าเร็วปันห้อยข้อมันรีภาวแล้วฟังเฝ้าดีไป ยิ่งเข็นใจหันใส่ก็แล่นไหลจอมลังร้องเสียงดังเอินดาว่ายิ่งหยาบจาปาลาสันได้จ้าใจถอยลักสายซอยกูนี ยิงกาลีจนหายก็ปีกไว้ยมาจูว่าของแห่งกูแต่ใสมีแต่ไทเดินมาสันได้จ้ามึงด่าว่ากูอยากจ้าเป็นโจน ยิ่งสองคนต่อถอยมีบ่โน่อนาหน้าตางก็จาลืมเล่าว่าเป็นของเก่าไผยมันคนซุ่มกันแหวกไก่ตังหน่อยใหญ่ยิ่งใจเผยบ่หมายหูแจ้งว่าเป็นของแห่งยิ่งได้จริงป่าไปตังกู้เจ้ากินกู้คิงรามได้ตัดความแจ้งที เฮือแมนตีตามทมเจ้าองค์คำบุญใหญ่ก่อหูได้ในใจว่าจริงคนได้นั้นเล่าเป็นเจ้าเก่าเดิมมาจักแสงจ่ทาทมทีเฮือเขาจี้ตามร้ายเฮือคนลหลมวนหมูได้พำหูเป็นสักขีจริงใครว่าตีทมเรา เซิงยิงบาปสาวปลาลาวาซอยตาลูปล่ด้วยแก่นไม้จุนจันหรือย่อมมันด้วยดอกกันถ้าออกหอมไกจุงรีบไขเกาอูเอะเฮาหัวตามียญิงกาลีใจถอยกอตอบถอยสับปันว่ายอมด้วยจุนจันต่างเตตั้งดอกวิเศษจูอันอัน นอคุณท่านบุญใหญ่ก็ถามนิ่งอยากไรสันเดียวนางก็เร็วตอบเปล่าว่าข้าแด่เจ้าบุญมีข้าเครื่องขีหลายแหลเจ้าเอาจุนจันแต่ได้จ้าย้อนอนาถาลำหมอกจริงเอาแต่ดอกประยงมาอบลงใส่ไ ว, บว้บอกมีดอกไม้ใดใด เจ้าจอมต้น้อยนาดก็คือคนฉลาดเตรียมองเอาสอยลงแจกน้ำบีบนวดซ้ำหลายตีกินและสีบมีบ่อจ้าแล้วคือดมต่อ้าคนหลายส่วนว่าใจผู้ฉลาดหูกันท่าจาดนานาหูกินกันท่าเสียงซ้ำไัยบ่อลำเรือมัน ก็ไค่ปันบอกเล่าว่าดูราเจ้าบุญนาซอยนีนะขอบอกย่อมด้วยดอกปายงกินจันดงต่างเตต่างดอกวิเศษนานาดมแล้วหาบ่ได้ดังยิงอยากรไอไค่ปันเจ้าจอมควันฟังแล้วใจผ่องแผวยินดีจริงไครวาาทีก่าวจี เอเสียงตีสังกาว่านหญิงคนนี้นะเป็นเจ้าหญิงคนนั้นเล่าเป็นโจรจุม่มหมู่คนน้อยใหญ่กาอันใดเล่งหัน <c oughs> ต่างปะกันจืนยาวสาทุสงเราเนื่องนั้นก็มีหันแหละนาะ ทัดนันไปแถมเหล่ามีหญิงแก่เท่าจาระถือกุมไฟามาจากให้กเอยเตี้ยวไตพันพายตั้งไกลายหิวหอดก็มาจอดเศร้าซาในศาลาใหญ่กว้างเตียจิมข้างโบคารณีวางกุมไฟดีละไว้ แล้วลงสละใหญ่บัดเดียวอาพรีเปรีปรวบอดจ้าคัดล่างนาสีไข ย, ยิงจังไรคนหนึ่งเหล่าเตียวไถเต้ามาหันใจแห่งมันโลภให้ไขได้กลุ่มายงามดีจริงรักเอานีบอดจ้าใส่ปกพาไปปันยิงเจ้าของหันแหลนไหล ว่ายิงถอยไรป่ปาลาลักายกูมาแต่โสดมึงไร้โหดเลือดลายไฟยได้ได้แต่ใส่ป่อยลักใดนำมายิงปาลาตอบเล่าว่าเป็นของเก่าตนกูอย่ามาจู้ว่าง่ายกูบ่อใจจนไร้ดีลีปากโบดีแต่โสดจักมีโตถึงตน เขาต่างคนต่างดาเทียงตอบตานานาหลวดพดมาตีไกลหนอพระติไวสัปัญญุเข้าไปจูบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปัยเจ้าบุญภายน้อยนาด่อหูขวาดบาดเดียวจักจะาเลียวทันทีเสียงตีสังกาจริงจักจ่าทำเล่าซึ่งยาบาบเศร้าจังไร ว่าในภายในกลุ่มไฟอันยกใหญ่นำมามีสังจ้าใส่ไว้บอกคือไข่ตามมีนางกาลีเกา ว, ว่าหน่วยไฟยอยู่ภายในเอาไฟาเส้นใส่ปันไว้จริงเป็นกลุ่มใดดีงามเจ้าก็ทำ อ, อย่าเท่าว่ามีสั่งเล่าไปในอย่าเท่าไขา่เกาจี อันแมนตีตามกองว่าเอามากับต้องใส่ไว้จริงเป็นกลุ่มใหญ่ดีลีเจ้าบุญมีน้อยหน่อฮือแก่พอซับปันก็เล่งหันต่อน้แม่นกมแห่ง่าจูภาคานอโปธิญาอ่อนน้อยก็สอนยิ่งใจถอตามทำคนน่านำหน่อยใหญ่ อันอยู่ไกลเล็งหันต่างอสาจันมางเต่ายอคุ้นแห่งเจ้านาน้ากมีวันนั้นแลนะเนธิตังขีนาสังวันนาน้าวิเศษจาห้องเหตดมโหสถผูกทวนสองมีเหตดลองบังเกิด ว่าเจ้าพาญาเลิดสันได้กันจะไขครบทวนตาวันก็ดวนลงแรงพ่องซ้ำแยงสั่นพอขึ้นใจต่อไปหลังว่านิที่ตั้งเต้เจ้าไข่ปอกเตาเกหาจิงคอวางลาเตาอีเต่านี้กอบางกมสมรดเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลว